เราก็ได้พักที่ริมแม่น้ำสารวินนะเป็นชายแดนไทยพม่าอย่างแท้จริงเลยบ้านวัดบ้านแม่ดึกนะก็คงยากนะที่จะมีคนได้มาถึงที่ตรงนี้เนาะก็เป็นสถานที่ที่สงบสงัดดี อยู่ชายป่า<ม>อยู่ริมน้ำนะที่สำคัญนะเราก็เรียกว่าแทบจะไม่ได้ติดต่อกับโลกภายนอกมาเกือบสิบวันนะไปอยู่ตรงไหนก็ไม่มีขึ้นสัญญาณโทรศัพท์นะติดต่อออกไปก็ไม่ได้เขาติดต่อเข้ามาก็ไม่ได้บางทีชีวิต คนสมัยใหม่เนาะการที่มีโทรศัพท์เป็นปัจจัยที่ห้าปัจจัยที่หกของชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องที่เรียกว่าแทบจะขาดไม่ได้เนาะแต่พอเราลองอยู่แบบไม่ต้องใช้โทรศัพท์เนะไม่ต้องเอาโทรศัพท์เป็นปัจจัย ที่ต้องทําทุกวันต้องใช้ทุกวันเนี่ยสังเกตว่าชีวิตเราก็เบาสบายขึ้นนะถ้าเราอยู่ในเมืองอยู่ในเขตสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยก็แม้เราไม่ใช้แต่บางทีคนอื่นก็ใช้โทรมาหาเราเราก็ต้องพูดคุยติดต่อหรือบางทีเราก็ใช้โทรหาคนอื่น หรืใช้ Internet, อินเทอร์เน็ตน ะ, ะเพื่อดูอนั่นดูนี่นะบางทีตัวเรานะอยู่ในป่าะนะอยู่ในวัดแต่บทีเราก็รู้เรื่องทั่วโลกเลยเรื<น>นะ่องทั่วโลกก็เข้ามาสู่หมวสมองนะมันเป็นความรู้นะต่อไปก็ถ้ารู้แบบกรองไม่ถูกนะหรือว่าวางไม่เป็นก็ เรื่องราวพวกนั้นก็ลกในใจของเรานะตอนเดินตอนกินตอนนอนนะเรื่องราวพวกนั้นก็แอ บ, บเข้ามาเนะี่ยอยู่ในใจเนะี่ยทำให้เกิดความฟุ้งซ่านในใจนะจิตใจก็เลยไม่สงบสักทีแม้บางทีร่างกายเราจะอยู่ในที่ที่สงบสงัดนะ แต่บางทีเรื่องราวพวกนี้นก็ตามเข้ามาอยู่ในความคิดอยู่ในจิตใจอยู่เสมออันนั้นคืออันนี้ก็เป็นข้อดีของพวกเรานะที่นี่ได้รู้จักวางได้รู้จักะการนี่การดนะับรู้เรื่องภายนอกไปเสียบ้างนะมันก็ทำให้หัวสมองแล้วก็จิตใจของเราเบาลงไปเยอะได้เยอะเลยนะอันนี้นก็เป็นข้อดีนะนะ แต่ถ้าเรามองแต่แตข้อไม่ดีว่าเออไม่มีขึ้นโทรศัพท์เลยติดต่อไม่ได้เลยนะ่ะอันนั้นเพราะเรามองแต่ในแง่ที่มันไม่ดีนะหรือแง่ที่เป็นเรื่องความไม่สะดวกสบายแต่จริงเราลองทบทวนหนูจริงยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยโทรศัพท์ก็มีคนใช้น้อยมาก มนุษย์เราก็ยังอยู่กันได้อินเทอร์เน็ตนี่แทบจะใช้กันไม่กี่คนใช้กันนิดนหน่อยโลกเราก็ยังอยู่กันได้ถ้าเราแค่ได้ลึกแค่แบบนี้นะว่าที่จริงโลกเราหรือมนุษย์เราอยู่กันได้โดยไม่มีเรื่องพวกนี้เลยเขาก็อยู่กันได้มา ตั้งแต่มีมนุษย์ก็หลายเป็นล้านปีหรือว่าเป็นช่วงยุคประวัติศาสตร์ก็หลายพันปีละที่มนุษย์ก็อยู่กันได้โดยที่ไม่ได้ต้องมีปัจจัยที่ห้าที่หกขึ้นมาเพิ่มเติมนะมีเพียงแค่ปัจจัยสี่เสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยยรารนะัตว์โรคเป็นปัจจัยหลักในชีวิต แต่ชีวิตสมัยนี้มันว e yes. yeah. ุ่นวายด้วยปัจจัยอื่นๆอีกเยอะมากมายนะรถราโทรศัพท์นะไฟฟ้านะเครื่องอุปโคความสะดวกต่างๆเยอะแยะมากมายนะแต่เรามาทุดงงเนี่ยเหมือนคล้ายๆเราย้อนกลับมาสู่วิถีชีวิตแบบแบบสมัยโบราณเนาะใช่ไหมรถก็ไม่ต้องใช้ ใช้การเดินเท้าเอานะจะไปที่ไหนก็เดินนะแม้ไม่เร็วนะแม้ไม่รีบนะก็ไปเรื่อยนะไปเรื่อยนะไปถึงไหนก็นอนที่นั่นนะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนเออเป็นสมัยปัจจุบันคนที่ใช้รถเนาะก็บางทีวันหนึ่งนี่ก็ไปได้เป็นพันกิโลเมตรนะอื บางทีรถมาช่วยรดระยะทางในการเดินทางนะแต่ก็ไม่ได้ช่วยลถให้ใจเราเย็นลงหรือว่าไม่รีบลงได้นะบางทีเรามีเครื่องอดนวยความสะดวกให้รวดเร็วนะแต่ใจเราก็ร้อนยังร้อนอยู่ไม่เย็นตามสังเกตไหมบางทีสมัยก่อนทัญญาณอินเทอร์เนต็ตเนี่ ช้ามากปวดจะโหลดปวดจะติดต่ออะไรได้ต้องรอนา น, น, นพอสัญญาณอินเทอร์เน็ตรเร็วขึ้นนะมันก็คนก็ถ้าสัญญาณช้าเหมือนเดิมเนี่ยก็จะรอไม่ได้แล้วญญลรู้สึกสญญสหงุหดหงิดกระวนกระวายญญาหรือบางคนใช้อินเทอร์เน็ตแบบมีลิมิตเนาะมีลิมิตเช่น 3G นะกี่เมกะไบต์ อพอหมดสามีแล้วใช้แบบระบบธรรมดาเนี่ยโอ้รู้สึกว่ามันช้าที่เกียดรอเพราะว่าอะไรเพราะใจเราคุ้นชินกับความความรวดเร็วนะกับความรีบร้อนเนาะเมื่อมาใช้ชีวิตแบบช้าๆนะนใช้ชีวิตแบบมันไม่มีความสะดวกสบายบ้าง มันจะรู้สึกอึดอัดนะี่แต่เรามาทุ่ดงมา ม, งมาฝึกขัดตรงนี้แหละฝนะึกขัดดองใช้ชีวิตแบบไม่ต้องรีบร้อนใช้ชีวิตแบบช้าลงนะสมัยใหม่เขาเรียกว่าอะไรสโลไลส์ล่ะชีวิตที่ไม่รีบร้อนนะแต่ไม่ใช่แบบไม่ใช่สโลไลส์แบบไม่มี ไม่มีสาระไม่มีจุดหมายอะไรนะเราเป็นใช้ชีวิตแบบช้าลงเพราะว่าเราค้นหาสาระของชีวิตนะหาความหมายที่แท้จริงของชีวิตนะว่าชีวิตที่แท้จริงเนี่ยเราต้องการอะไรนะชีวิตที่แท้จริงจริงเราต้องการแค่ความสุขความสงบนะความเรียบง่ายเนี่ย เนเราจะได้สัมผัสถ้าเราลองกลับมาใช้ชีวิตแบบช้าๆเราจะค้นพบความสุขที่ง่ายๆเนาะความสุขแค่ได้มีที่นอนที่อุ่นสักหน่อยเนี่ยจะได้ไม่หนาวความสุขแค่ได้มีอาหารรับประทานนะแม้ไม่ต้องอยู่ในพัทคารหรูเนะ่ แต่ก็อาหารบินทบาทที่ชาวบ้านใส่บาทเนี่ยก็ถือว่าช่วยประทางชีวิตของเรานะเป็นความสุขง่ายแล้วหรือความสุขจากน้ำใจของผู้คนเนาะจากชาวบ้านหลายหลายคนโดยเะพาะเมื่อวานแล้วก็วันนี้นะเราก็ได้รับน้ำใจนะที่ดีงามนะจากคุณณเนาะนะเป็นโยมที่อยู่วัดนะ โพซอนะเป็นน้ำใจที่เขาสาเดินมาส่งเราจากวัดนะถึงถึงศกแงะที่เป็นปากน้ำน ะ, นะแล้วก็ยังมานอนกับเราที่วัดแห่งนี้ด้วยนะเป็นมาว่ายากนะถ้าคนสมัยปัจจุบันหรือคนในเมืองที่จะแบบ มีน้ำใจหรือว่าสละเวลานะวันหนึ่งคืนหนึ่งหรืออาจจะมากกว่านั้นนะเพื่อมาช่วยเหลือคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยนะแต่ชาวเขาหรือว่านะอยองคุณณนะ์เนี่ยเขาก็มีน้ำใจนะวนะัสดะเวลาของเขานะมาอยู่กับเรานะด้วยความเต็มใจนะโดยไม่ได้วางผลตอบแทนด้วนยะ S <S <S <an> นี่ยเราก็ย้อนกลับมาดูตัวเราเวลาเวลาคนอื่นเขา <S <S <an> ขอร้องหรือว่าเขานะหรือว่าเราจะช่วยเหลือคนอื่นเนะี่ยเออเราสามารถให้ได้อย่างคุณนนะไหมนะให้ด้วยความเต็มใจนะบางทีเราสังเกตไหมบางทีภายนอกเราก็ทํานะ <S <S <an> <S แต่ภายในใจเราก็ขัดใจหงุดหงิดนะไม่อยากทํา <S an> หรือว่าบางทีก็ทําให้ ให้มันแบบเสร็จเร็จไปนะให้รีบทําให้มันเสร็จเร็จจบจบไปนะแต่ไม่ได้ทําด้วยความเต็มใจนะบางทีชีวิตนะคนสมัยใหม่ก็มองเวลาเป็นเงินเป็นทองนะคิดว่าเวลาที่เราใช้ไปเนี่มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรไม่ถึงเกิดประโยชน์นึงแง่ ได้งานได้เงินนะได้สิ่งที่เราคิดว่ามีคุณค่าสูงกว่าแต่จริงเพราะอะไรเพราะว่าเราหลงหลงว่างานหลงว่าเงินหลงว่าอะไรที่เราชอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่านเราหลงในแง่อะไรหลงเพราะว่ามองว่าสิ่งภายนอกมันมีคุณค่ากว่าสิ่งภายในนะ แต่จริงถ้าเรามองกลับกันนะน้ำใจเนี่ยเป็นสิ่งมีคุณค่าสูงกว่าเงินทองนะความสุขความสงบนะเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองนะการได้ใช้ชีวิตแบบง่ายๆนะสบายใจนะเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าการมีชื่อเสียงเกียรติยศนะ ถ้าเรามองแบบในแง่นี้นะโอ้เราจะรู้สึกเลยว่าชีวิตแบบนี้มันเป็นชีวิตที่ที่ดีมากๆเลยนะชีวิตที่เราได้อยู่แบบง่ายๆได้ใช้ชีวิตแบบสงบได้ใช้ชีวิตนะในการที่ได้สัมผัสความสุขแบบง่ายๆตรงนี้แล้วก็ไม่ต้องบุ่นวายกับข้อมูลข่าวสารที่มาจากทั่วโลกนะ ให้เราได้รับรู้นะมากมายนะอันนี้เป็นชีวิตที่เรียกว่านะเราได้โอกาสตรงนี้แล้วก็ให้ได้สัมผัสจริงๆเนาะสัมผัสกับความสุขความสงบง่ายๆตัวนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราต้องกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วก็ให้เราตั้งสติดีๆเนาะนะ ต้องมีสติคอยกรองข้อมูลข่าวสารที่รับรู้ในแต่ละวันหรือว่าต้องติดต่อสื่อสารกับผู้คนจากโทรศัพท์จากอินเทอร์เน็ตจากการงานก็ดีนะเราก็ต้องตั้งสติดีๆรับแล้วต้องรู้จักระบายออกให้ได้นะอาจารย์ชยศสาโรท่าน ท่านเปรียบเทียบว่าให้เราทำจิตเหมือนกับกระฐานต้นไม้นะไม่ให้ทำจิตแบบกระโถนนะกระโถนคืออะไรอะไรมาทิ้งลงกระโถนก็คังอยู่ในกระโถนทั้งหมดเลยนะของดีของไม่ดีนะทิ้งลงไปในกระโถนกระโถนคล้ายๆทังขยะทิ้งลงไปแล้วก็ มันก็หมักหมเนาะก็เน่าเหม็นนะแต่ท่านให้เราทำจิตเหมือนกับกระถางนะกระถางต้นไม้นะตดน้าลงไปนะมันก็ซึมผ่านต้นไม้ผ่านดินทั้นนั้นแล้วก็น้ำที่เหลือที่เกินมันก็ระบายออกที่ก้นกระถางนะมันก็ไม่ขัง เอนไม้ก็ไม่ตายาดินก็ไม่แขะเกินไปเนี่ยจิตใจก็ต้องแบบนั้นนะเวลาเราเกี่ยวข้องกับการงานเกี่ยวข้องกับผู้ค น, นรับรู้ถึงต่างๆก็ต้องวางให้ได้นะนาวางความคิดวางความรู้สึกวางอารมณ์ต่างๆให้ได้นะ กลับมาอยู่กับปัจจุบันกลับมาอยู่กับสิ่งที่ทำให้ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะบางทีเราไม่ได้มาอยู่ในที่ที่สงบสงัดตลอดชีวิตนะแต่เราก็สามารถทำจิตของเราให้สงบสงัดได้นะถ้าเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเนะีนะ่ยเราต้องพยายามฝึกนะตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีที่เราได้มีสิ่งแวดล้อมที่ช่วยนะ ให้เราได้ฝึกตรงนี้นะต่อไปแม้บางทีเราจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ช่วยนะแต่เราก็ต้องเอาสติเอาสมาธิเนี่ยไปฝึกต่อนะเห็นการกระทบนะเห็นผัสษะที่เกิดขึ้นผนะัสสะทางตาผัสสะทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนะี่ย มันกระทบนะเราเรียกไม่เราเรียงไม่ได้หรอกนะเราเรียงไม่ได้แต่ให้เราคอยดูทันใจเรากระทบแล้วเกิดความพอใจเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยให้เรารู้ทันพูดอย่างนี้ที่จริงแม้อยู่ในที่ธรรมชาตินี้ก็มีผัสสะกระทบนะ บางทีมถ้าเราไม่ทันเราก็ชวนหนมเยอะนะอันนี้สวยอันนี้งามนะอันนี้ไพโร่นมันก็เป็นความประทบที่ละเอียดขึ้นนะเป็นความเพลินแบบสวยงามสงบสงัดนะนี่เราก็ต้องรู้ทันที่จริงเพราะว่า ร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยมันกระทบกับโลกตลอดเวลาเยอะแหละนะแต่กระทบแล้วบางทีมันก็กระทบแบบละเอียดบางทีก็กระทบแบบหยาบนะเนคำพูดที่เ้าด่ามาเนี่ยกระทบแบบหยาบหยาบนะกระทบเลยนะกระเทือนถึงหูกระทบถึงใจนะแต่บางทีเสียงที่ไเราะนกร้องนะกระทบแล้วมันซึมเข้าไปในใจเลยนะโอ้เพราะ น่ชอบเสียงน้ำไหลน่ะสนุกดีน่ะไพเราะดีเพลนดีนะเพลนก็ดูนะแต่อย่าไปติดในความเพลินไพเราะนะก็รู้ว่าไพเราะนะแต่อย่าไปติดในความไพเราะรวมทั้งสิ่งที่มันกระทบแบบหยาบหยาบนะกระทบมาแล้วก็ให้คอยรู้ทันรักษาใจให้กลับมาเป็นปกติให้ได้นะ มันอาจจะ ก, กระเทือนเพราะคำพูดของคนอื่นนะแต่อย่าให้มันติดค้างเนิ่นนานเกินไปนะจะให้ค้างไปถึงกัางคืนอย่าให้ค้างไปถึงวันใหม่เนาะให้ทำใจเหมือนกับกระโถนนะรนะับรู้แล้วก็ผ่านไปรับรู้แล้วก็ผ่านไปหรือบางวันนะบางคนนะัมีเพื่อนมาปรึกษามีเพื่อนมาระบายความทุกขนะ์อะไรเนี่ย เราจะรู้สึกเลยว่าใจเราก็จะคอยเป็นทุกข์ตามเพื่อนตามคําที่เขาศึกษาไปด้วยนะเพราะอะไรเพราะเราวางไม่เป็นนะที่จริงเราทําหน้าที่ตอนนะี้ดีแล้วนะช่วยคนอื่นก็คลายจากความทุกขนะ์แต่เราเองก็ต้องช่วยใจของเราให้คลายจากข้อมูลที่เราได้รับรู้ตรงนั้นด้วยเนาะต้องมาทีมันคิดขึ้นมาอ่ะก็วาง คิดขึ้นมาแล้วก็วางบางทีมันก็เป็นข้อมูลที่เรารู้นะแม้บางทีไม่ได้อยากจะจำนะแต่บางทีมันก็คิดนะแต่เราก็ทำได้ก็ ค, คือคิดแล้วก็วางจำได้เลยตอนเดินทุ ด, ดงคนเดียวนะบางทีไปพักตามป่าช้าเนาะบางทีก็มีโยมมาพูดคุยมาถามอยู่ตรงนี้เมื่อคนืนนี้ เห็นอะไ ร, ประแปลกๆไหมเง้ยนะเขาต้มาพูดคุยมาคุยอย่างนี้ฟังว่าโอ้มีเคยมีพระมาทุ่งมาพักแล้วก็เห็นนั่นเห็นนี่นะเขาก็พูดไปนะเราก็ไม่ได้อยากจะสนใจเลยหรอกนะแต่เขาพูดนะเราก็ได้ยินนะได้ยินนะจิตมันก็จดจําไปเองนะตอนกลางคืนบางทีก็เอ้า มันก็เผลอเอาเรื่องราวที่เขาพูดมาคิดถ้าเราคิดถ้าเราไม่ทันนะมันก็จะปรุงแต่งเราไปก็จะเจอหรืออาจจะกลัวแบบที่เขาว่าก็ได้กนะ็ต <จะ S 1> ้องเอาแบบหลักแบบหลวงพ่อว่าเนอะาสติกับมาสติกลับมาคิดถึงเรื่องที่หลวงพ่อเคยเล่าให้ฟังว่า ตอนบวชใหม่ๆนะรู้สึกว่าเจอผีนอนอยู่ข้างๆบอบริกรรมคาถาไปนะผีก็กิ้งออกไปเลิกบริกรรมผีก็กิ้งกลับมาก็ทำแบบนี้หลายรอบใช่ไหมแต่พอมาสร้างสติมาสร้างจังหวะจริงๆอ่ะผีหายไปเลยนะ ก็ระลึกคําหลองพ้อเรืนี้ได้อ๋อนี่แหละนะมันคิดก็ไม่เป็นไรนะคิดแล้วก็มีสตินะมันก็จบไปนอนตื่นมาเผลอคิดอีกนะวิสตินะมันก็จบไปใหม่บางทีข้อมูลที่เราฟังนะแม้บางทีไม่ตั้งใจจะจํานะแต่บางทีจิตมันก็จําขอมันเองนะ อันนั้นก็ห้ามไม่ได้นะบังคับไม่ได้นะแต่สิ่งที่เราทำได้คือเวลามันเถือมาคิดขึ้นมาให้เรารู้ทันนะรู้ทันเมื่อรู้ทันมีสติแล้วนะมันก็จะจบไปจบไปจบไปเนาะบางทีในแต่ละวันเราอาจจะผ่านเรื่องราวต่างๆในชีวิตนะมากบ้างน้อยบ้างนะหยาบบ้างละเอียดบ้างนะ ก็บางทีจิตมันอาจจะจดจํารับรู้ก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ให้เราคอยรู้ทันว่าถ้ามันเผลอมาคิดหรือว่ามันไปอะไรเอาวรนกับอารมณ์ที่เกิดในอดีตนะอืมบางทีเราก็อะไรเอาวรนกับความสุขนะสงบสบายเย็นนะดีนะบางทีเราก็ไม่ได้อะไรเอาวรนหรอกแต่เรารู้สึกไม่ชอบนะ แต่บางทีไม่ชอบก็ ค, ค, คิดนะเขาว่าเราเ<า>ขาทำร้ายเราหรือว่าความทุกข์ที่เก<ะ>ิดขึ้นในใจความทุกข์ที่เก<ะ>ิดขึ้นกับกายนะ อางทีก็เผลอกลับมาคิดอีกเนี่ยบางทีไม่ชอบนะก็เผลอไปคิดนะก็ทํารู้ทันแล้วก็วางมันนะเดี๋ยวบางทีแล้วก็กำบลนในอนาคตน่ะกลัวนะกลัวไม่ได้กินบางทีมีไหมบินทบาทกลัวไม่ได้กินนะจะได้กินอะไรหรือเปล่านอนกลัวแค่รู้ว่าขึ้นเขาแล้วก็กลัวละเออ ย่าไม่ทันนี่ขึ้นเลยนะกลัวละโอ้รู้สึกเนื่อยอะไรนั่นนะเนี่ยบางทีก็นาก็กลัวละเน่ะรอนก็กลัวละ่ะเนี่ยบางทีบางทีต้องดูทันวะบางทีอาจจะมีประสบการณ์เนาะขึ้นเขาแล้วก็เหนื่อยมันเป็นประสบการณ์ในจิตนะหรือเดินแล้วเคยหกล้มเหมือนเน่ยมันเป็นประสบการณ์ในจิตน แต่บางทีแต่วันนั้นหรือขนาดนั้นมันยังไม่ล้มเลยนี่นะแต่จิตที่มันกลัวไปก่อนเนะี่ยจิตที่มันทอ้อจิตที่มันกลัวไปก่อนเนี่ยมันหลอกเราดันนะทำให้เราไม่กล้านะคือเราไปติดในกับดักในอดีตขึ้นนะอดีตก็เป็นเรื่องหนึ่งนะอนาคตก็เป็นเรื่องหนึ่งปัจจุบันก็เป็นเรื่องหนึ่งนะสราใช้ชีวิต ทีละขณะทีละขณะจริงๆนะอยู่กับปัจจุบันทีละขณะปัจจุบันเมื่อกี้ก็เป็นอดีตไปละในขณะนั้นก็อยู่กับปัจจุบันใหม่อนาคตก็ยังไม่มานะก็ยังไม่ต้องอะไรเอาไม่ต้องไปคิดถึงมันไม่ต้องไปกลัวกังวลอะไรกับมันมากมีแผนคร่าวๆบ้างนิดหน่อยก็พอละนะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบปัจจุบันไปเรื่อยๆเนี่ย หัวสมองนะเราจะว่างขึ้นเยอะเลยนะมันไม่ใช่ว่างแบบกลวงคิดไม่เป็นหรือว่าไม่มีปัญญานะแต่นเป็นการว่างจากความวิตกกนะังวละสังเกตไหมบางทีคนคิดเก่งเนะี่ยวิตกกังวลเยอะนะไอ้ที่ต้องวางแผนอะไรเยอะแยะมากมายแผน A อบีดีต้องเตรียมอะไรมากมายเพราะว่าอะไรเพราะความวิตกตกงังวล เพราะความกลัวนั่นแหละนะจิตก็ไม่ว่างจากความคิดที่เตรียมนั่นเตรียมนี่แต่ละพัทต้องกลัวนั่นแหละกังวลว่าจะไม่พร้อมแต่ถ้าใจที่พร้อมจริงๆนะจะเจออะไรรับมือได้แก้ได้น่ะค่อยว่ากันตรงนั้นก็เตรียมระดับหนึ่งนั่นแหละนะแต่ไม่ใช่ว่าต้องแบบขนาดกลัวทุกอย่างที่จะเกิดขึ้น แต่ถ้าใจเราพร้อมนะเราจะรู้สึกว่ามันก็มีอะไรก็เกิดขึ้นก็รับได้หมดแม้จะร้ายที่สุดขนาดไหนก็รับได้อย่างทุ ด, ดงจริงๆระเนะสมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านทุ ด, ดงเนี่ยหรือถ้าใครส่งลูกส่งหลานติดตามพระมาทุ ด, ดงเนี่ยเรียกว่ายอมตายกันเลยล่ ะ, ะสมัยก่อนอาจจะเป็นไข้ป่านะ เดินทุดดงไข้ป่าเสียชีวิตตายกันเลยนะหลืมทีถ้าออกทุดดงแล้วเนี่ยเรียกว่าสั่งลายกันเลยว่าไม่แน่ว่าชาตินี้จะได้เจอกันอีกหรือเปล่านะต้องแบบนั้นเลยนะผมก็จำได้นะแต่ตอนก่อนตอนทุดดงก็เดียวไม่พบโทรศัพท์ไม่พกอะไรนะยาติพี่น้องก็ติดต่อไม่ได้นะ ร่วม 6-7 เ็ดเดือนมากนะของพ่อป่วยเราก็ไม่รู้ข่าวไม่ว่าลงพ่อป่วยอยู่เนียมันก็ดีอย่างนะเราไม่รับรู้อะไรก็สงบดีมันก็ ถึงขนาดบางทีโยมที่บ้านนะโยมปู่คิดจะลงไทยรัฐนะประกาศตามหาพระหาย <c oughs> แต่ก็ดีนะไม่ต้องเพรางเราก็ไม่อยากให้เขาตามหานะแบบนี้มันก็บันทีนก็ไปแบบนั้นก็ดีนะไปแบบไม่ต้องมีกังวลอะไรนะติดต่อกันไม่ได้บ้างก็ดีนะเป็นการฝึก เี่เป็นการฝึกฝึกการวางเนะพอสุดท like ้ายแล้วเราก็ต well, we ้องเจอกัน so ก็ต้อจากกันทุกคนอยู่แล้วนะอไม่วันใดก็วันหนึ่งในไม่ว่ารูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งอยู่แล้วนี่ที่จริงความไม่สะดวกสบายนะที่จริงมันก็เป็นการฝึกตนอย่างดีเลยนะบางทีความสะดวกสบายนั่แหละมันเป็นการเอา เป็นการตามใจตนนะได้ง่ายๆนะถ้าเราใช้ไม่เป็นนะถ้าเราใช้เป็นก็เกิดประโยชน์นะแล้วก็เหมือนกับมีดเลยนะมีดอยู่กับอยู่กับคนที่รู้จักประโยชน์ของมีดก็ใช้ประโยชน์จากมีดได้เยอะแยะมากมายเช่นชาวเขานี่นะชาวบ้านนะเขาเข้าป่านะมีมีดด้ามเดียวเนี่ยเอาตัวรอดได้ ทั้งหมดเลยนะเอามีดตัดไม้ไผ่มาหุงข้าวนะเอามีดนะมาทำพืนทำไฟนะเอามีดไปทำที่ประกอบอาหารต่างๆนะมีดเล่มเดียวนะอยู่ในฝ่าได้หมดเลยแนตะ่จะตางจากเด็กนะถ้าเล่นมีดนะเล่นไปดีนะก็บาดมือตัวเองนะ หรือว่าไปบาดเพื่อนอะเนี่ยฮะมีดเล่มเดียวกันนะอยู่กับคนที่อ่าเป็นพรานอ่ารู้จักใช้ประโยชน์นะก็เอาตัวรอดนก็เกิดประโยชน์มากมายแต่มีดถ้าอยู่กับเด็กที่เล่นทุกสนนะ ก, นก็เกิดทุกเกิดโทษมากเลยน ะ, น, ะนั้นเราต้องระวังนะมีดในที่นี้ก็คือเช่นเงินทองที่มีนี่นแหละนะนะ มันก็เป็นใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ได้นะหรือใช้เพื่อถนองตัณหาก็ได้นะสิ่งของความอนวยสะดวกต่างๆก็เหมือนกันก็เหมือนกับมีดนะใช้ให้เกิดประโยชน์ก็ได้นะใช้ให้เกิดโทษก็ได้นะ ต้อระวังนะเราจะคิดว่ามันมีแต่แง่ดีมันอย่างเดียวนะแง่ลบแง่ไม่ดีก็มีนะถ้าเราใจไม่เป็นเราก็ต้องรู้ทันมันแต่สติสัมปชัญญะจะทําให้เรารู้ทันตัว น, นี้แหละแล้วก็อะไรจะเกิดขึ้นมาก็ก็อย่างที่บอกไว้ว่ามันกระทบแล้วก็ให้รู้ทันจิตใจของเรานะแล้วก็อย่าไปกังวล กนะกับเรื่องราวในอดีตเนะี่ยวางไปเลยให้มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันอดีตจะดีไม่ดีเจออะไรก็ก็ถ้าจะระลึกก็ระ ล, ลึกไว้เป็นบุตทาหอนเตือนใจนะแต่อย่าระลึกแล้วทำให้เกิดความกลัวกังวลใจนะอนาคตมันก็ไม่แน่นอนหรอกอย่างเมื่อวานใช่ไหมว่าจะไปแม่สามแลบก็ไม่ไดนะ้ไปก็ยังนะมาแม่ลึกเนะี่ย มันไม่มีแะนรแนนอนรอเรือเรือก็ไม่มาแบบวนะมันก็คาดการไม่ได้ชีวิตที่อยู่กับการคาดการไม่ได้แม้เราจะพยายามทําตามแผนที่วางไว้แล้วแต่มันก็ไม่มันก็ยังรอรอเรือจะไม่เป็นรอลิงทัทีนะมันก็เลยต้องมาที่ตรงนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะก็สนุกอีกแบบหนึ่งเนาะ แล้วก็ท่านมองชีวิตแบบสนุกสนุกนะแต่ไม่แบบสนุกสนานแบบเพลินนะอะไรเกิดขึ้นมาก็เออก็ดีได้ประสบการณ์ใหม่ๆดีเนาะถ้าเราไปแม่ตามแบบเราก็จะได้ไม่ได้มาเห็นบ้านแม่ดึกใช่ไหมเราจะได้ไม่ได้มาเห็นวัดที่โอ้อยู่ริมน้ํำนนอนพักริมน้ําสาละวินเป็นบรรยากาศที่ ครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะเราได้มานอนริมน้ำสารบินหรือครั้งหนึ่งในชีวิตบางคนได้อาบน้ำสารบินจะดีนะก็ฝากไว้